วันนี้จะอธิบายทั้งเรื่องกิเลสให้ฟังกิเลสนม่มีอยู่แล้วทุกคนในกายในใจของคนแต่ละคนละคนนีมีกิเลสมากมายแต่ตนเองอาจจะไม่รู้กิเลสก็ได้เราพากันรักษาศีลพากันทำทานรักษาศีลพากันหัดภาวนา จะต้องการที่จะชําระกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปจเจริญภาวานาปนให้เกิดปัญญาสมาธิประเมมอกั น, กนต้องการที่จะชะําระกิเลสนั่นเองกิเลสเนี่ยมันมีหลายชั้นหลายอย่างบางทีเราตั้งใจจะชําระกิเลสแต่กิเลสกลันเป็นตัวของเราเสร็แล้วหมดทุนฐาน และไม่มีทางเข้มะเราตั้งใจจะมอดูกิเลสกิเลสรือประมองดูงดทัวเราอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นจะเป็นการยากที่จะรู้จักตัวกิเลสกิเลสบางอย่างมันทําให้เราสบายเข้าใจว่ามันไม่มีกิเลสบางอย่างมันทําให้เราเดือดร้อนกุ้งใจ อ น, นั้นเห็นได้ง่ายไม่อื่นไกลอะไรล่ละตัวของเราละ่ะเรามีตัวมีกายมีใจนี่แหละบางครั้งบางขาวมันน้อยใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็เกิดน้อยใจหรือท้อแท้ใจมันนั่นก็กิเลสอันหนึง่ง เราหาวิธีชาระเรื่อหาวิธีแก้ไขมันท้อแท้ใจแล้วน้อยใจมันเพราะอะไรเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจทำให้เราไม่พอใจหรือว่าถือว่าเราทำดีแต่ว่าสิ่งนะั้นมันไม่ให้ความดีแก่ตนก็เลยน้อยใจท้อใจก็เลยเข้ากับหลักที่ว่า ทำดีได้ดีมันมีที่ไหนแท่ที่จริงนั้นเหตุผลนั้นที่จะไม่ได้ดีมีอยู่แต่ตนเอกไม่มีปัญญาสามารถที่จะรู้ในเรื่องนั้นว่ามันไม่ดีได้ดีเพราะอะไรันนี้เห็นได้ง่ายแต่แก้ได้ยากที่เห็นได้ยากเช่นเราเหนื่อยเช่นเราขี้เกียด ไม่อยากไหวพระสวดมนต์ไม่อยากทำโกมเพียนภาวนาพัดเพียนเปลี่ยนเวลาเอาไว้แต่ก่อนเธอตอนเช้าก่อนเธอตอนข้ามเขาขั้นนี้ไว้แต่ก่อนกลางคืนดึกแต่ก่อนเธอเพราะดึกดึกขึ้นมาความง่งวงเหงาเลยไม่อยากลุกก็เลยเอาไว้ตอนเช้าแต่ก่อนเพราะตอนเช้ามันกันหนาว มันอุ่นแล้วเลื่อนอยากลุกลุกของกันหนาวเย็นอันนี้แหละเข้าใจว่าตนสบายแล้วก็พอเลยละ่ะกิเลสมันไภพ อ, อุ่นทําให้เกิดความภพอุ่นพอใจเลยเข้าใจว่าต น, น, นมีกิเลสอันนี้แก่ยากยากเห็นด้วยถ้าหากบางทีมันเกิดโกรธเคืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมา จนกระทั่งมาอยากมองหน้าคนใครอันนั้นเห็นง่ายแต่ว่าแกยาคือมุ่งแต่จะให้คนอื่นดีถ่ายเดียวตนเองไม่พยายามแก่ตนเองอยายเขาทำดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงจะดีเราจึงค่อยสบาย อันนี้เห็นง่ายแก้ยากเหมือนกันเราไม่เห็นกิเลสเกิดขึ้นตัวของเราจะเป็นทีก่กิเลสคนอื่นที่ว่าเขาทําไม่ดีกูนไม่ดีแล้วมาคิดถึงกิเลสของตนที่เกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายอย่างกิเลสในตัวของเราเนะี่ยมีทั้งติดตัวกิเลสเต็มไปหมด ความขี้เกียจเน็ตเหนื่อยมักง่ายความไม่พยายามที่จะชะําระกิเลสก็เป็นกิเลสซ่อนเข้ามาอีกตัวหนึ่งอีกหลายชั้นหลายเซิงสลับทับซ้อนกันอยู่เราขี้เกียจแต่ไม่พยายามที่จะแก้ความขี้เกียจเลยปล่อยตามใจอันนั้นก็กิเลสซ่อนกิเลสเข้มาอีกกิเลสคือความเศร้าหมอง ของใจแล้วเห็นง่ายความเศร้าหมองที่เห็นง่ายๆก็อย่างที่บารได้คือความโกรธรุ่มใจทงให้มืดมิดปิดไม่เห็นความดีของคนอื่นถ้าจะดีแต่เท่าใดก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรู้เอาเนินกิเลสปิดไว้ปิดคือปิ ด, ปดใจของเราพุ่มหอ่อใจของเรา ปัญญาของเราไมา่เห็นเรื่องความดีของคนอื่ น, นสิ่งอื่นนั่นเรียกวกิเลสขึ้นการคือมั่วหมองขึ้นใจหมองเศร้าหมองพูดกันง่ายๆตามลำดับกิเลสเกิดขึ้นในปัจจัยชาติทั้งสี่เอาตรงนี้ไปก่อนพาพอนเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย มีเป็นบอ่อเกิดของกิเลสเหมือนกันเนีไม่ใช่นุ่มห่มปกปิดเพื่อกำบังความอายแต่ไปต้องการยังให้สวยสดงดงามวุปถพันธ์ที่สัญต่างๆได้อันนี้แล้ก็ไม่พออยากให้ได้นอนได้น้นแล้วก็ยังไม่พออยากได้นตนต่อไปอีกได้แล้วก็มองดูตนเองเอามาใช้แล้วก็มองดูทีแรกก็ดูว่าสดสวยชอบใจ กิเลสอ น, นั้นยากได้ก็เปียงกิเลสได้มาแล้วมามองดูชอบใจตนเองก็ปง เ, เป็นกิเลสใช้ไปนิดหน่อยนึ่งไม่พอใาอยากทิ้งอันนึงก็เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เป็นเพียงสักว่าเป็นเครื่องหุมห่อซากอสุบคนเราเรียกว่าผีดิบคือมันเน่าทั้งตัว ซึมซาบมด้วยเหื่อไ ข, ข่องทุกปรกปฏิกูลโดยเฉพาะที่วัฏวานทั้งเก้าทางตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นหนื้อท้งทวานหนักทวานเบาของเน่าไหลยอยู่ตลอดเวลาซึมซาบอยู่ตลอดทุกเมื่อทุกวันอย่าง เห็นนั้นเรายังต้องใช้ผ้าห่มปกไว้เรียบว่าห่อสร้างอสุขของปฏิกูลลองคิดดูที่ฉันผาที่เราห่อปฏิกูลนะของดิบดีมีค่าราคากันเท่าไหร่ก็ต่างเด้เอาไปห่อของเน่ากันเน่า้ววกันตามกันหมดมันจะดีวิเศษตรงไห น, น ปิดของเน่าหอ่อของเน่าไว้าให้เป็นที่จุจาดเข้าใจเพียงแค่นี้เห็นเพียงแค่นี้มันก็หมดความกังวลห่วงใหญ่สวยไหนสวยไหมว่าใหม่แล้อเก่าคงว่าเพื่อหุ่่มห่อร่างกายเพื่อปกปิดของสื้อก็ปกปติกูนเพื่อให้กายอบอุ่นเพราออยู่ได้สบาย ถ้าเราีเครื่องนี้ห่มห่ออบอุ่นเมืนก็เดือนหนาหนาวเดือดร้อนมากอันนี้พิจารณาทั้งหนึ่งนีแล้วพิจารณาต่อไปอีกถึงเรื่องผ้านุ่งที่เรานุ่งห่มห่อห่ม อ, อสุขก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อกับกระตัวของเราธาตุอาศัยธาตุ คือร่างกายแล้วเกิดมาจากธาตุสี่ที่น้ำไปลบผ้าผ่อนที่เรานุ่งโห่มใช้อยู่ก็เกิดมาจากธาตุสี่ที่น้ำไปลบของทั้งสองอย่างนี้พึ่งพาอาศัยไปในระยะหนึ่งช่วงระยะหนึ่งนี่ก็จะต้องแยกกันไปคือขาดนื้อปุพังไปเปื่อยเน่าไปพิจารณาในคำพมดกังวลก็เลยเพียงสักแต่ว่าอาศัยช่วงระยะหนึ่งตอนนั้น อาหารเหมือนกนารงานอันที่สองตัวคืออาหารเราจาเป็นต้องใช้อาศัยทุกวันผ้าอาศัยทุกจิรยาบทแต่อาหารนี่ใช่วันหนึ่งอาศัยวันหนึ่งวันละมือ้อคือวันละหนค่อวันละสองหนึ่สหนึ่งชาวบ้านเขาอาหารที่เรารับประทานหนึ่ง มันยั่วยวนให้เราชอบใจติดใจในรสชาติสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีเห็นข้าเราส้งนึกอยากจะกินมั่งมากทานมั้งมากของนั้นดีของนี้ไม่ดีของดีก็อยากได้มังมากของไม่ดีก็ไม่อยากได้นี้มันติดอยู่เหมือนเนี่ยติดจะที่ปลายริมเนี่ยที่เลบ มันปลากระทบปลารีนเท่านั้นเองรู้จักรสชาติว่าดีไม่ดีอเด็ดอร่อยด้แม่อร่อยต้องปลาลีนเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าใจนั่นแหละเอาไปสร้างขีดขึ้นให้ชอบติดอกติดใจมันพ้นจากปลาลีนไปแล้วหมดรสชาติที่ปลาลีนอ่ะมัเนี้ยคิดอีกอย่าให้มาแตะที่ปลาลีนอีกให้มันกระทบที่ปลาลีนอีก เม็ดเพ็รเข้มหวานเปรี้ยวทบกสิ่งประการทำให้ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ติดตกติดใจห่วงใยคิดถึงอะไรทำใจให้เศร้าหมองคือใจไม่ปกติถ้าอยากอย่างนั้นการที่ว่าอยากคืออยากได้ถ้าเป็นเรื่องค้นขวายาเสื่องสแสวงหา ได้มาดเดินทางที่ชอบบ้างไมชอบบ้างใ น, นนั้นเข้ากับเรื่องการต้องการหรือแสวงหาคือการอยากได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนก็แสวงหามันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นกินมากคนนี้กินน้อยอะไรต่างคนนั้นรับทางคล้องดีคนนี้รับทางค้องไม่ดีอะไรยุ่งกันไปใหญ่บ้างเห เป็นเรื่องทะเลาะอีวาดทุ่มเถียงซึงกันแะกันไปขีเลรมันไปใหญ่โตถ้าหาร้อยเห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องบาบัดโรคคือความหิวเหมือนกับเขาฉันคืาเขารับทานยาคีนินนะขมขมแต่เขาอยากจะให้ใครมาเลียหายภาษ า, าคือกินถ้าคิดได้เพียงแค่นั่งก็หมดเรื่องกันไป อาหารกัของปฏิกูลอาหารกัของชโโกกระป๋องลองดูที่คนเราจะดีสักเท่าไหร่ก็ตามอาหารเอามาเคี่ยวเข้าในปากนคายออกมาแล้วคืนกินไม่ได้มันชโโกกระปอจะอยู่ในปากคืนลงไปในท้องแลเปืเป่อยเนา่าซึมซาบเป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมา ของเล็กๆน้อยซึมซาบออกมาที่็นเศษนั่นใหญ่ๆกรไหลออกไปตามลำสายเศษกากาหารเม้นเน่าปฏิกูลเวลารับทานในหัวเลาะกันเงหาอยากจะอวดบ้านอวดเมืองเขาเสียร้งทานอะไรสัดอย่างให้เขาว่าตนทานของดิบ้องดีคนมีหน้ามีเกียรติมีเงิ น, ม, งนมีทองเวลาถ่ายทเทลไปปิดมิดไม่มีใครเห็นหรอก ว่าเขาจะเห็นอยู่คนเดียวก็ยังดมเน่าอยู่ฮะนี่คนเราน่ะเป็นหลงกันกรรมฐานพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่เป็นคำยากหลงกินหลงขี่อดต้นอวดดินอวดกินอดขี่ หลงตน้นหลงดินหลงกินหลงขี่มันไปไหนเัากบอาหารที่เราทานก็เป็นขี่นั่นเองเศษนั่นเขาเรียกขี่เศษอะไรก็ตามเถอะถ้าเศษเขาเรียกขี่อ้อยขี่ชานอ้อยอะไรก็ตามถ้าเป็นเศษเ้าเรียกขีดอันนี้มันเศษอาหารที่มันไหลไปตามน้ำใส่คือไปถ่ายวัดเขาเรียกว่าขี อย่า เ, เดียวกันเนี่ยเบื้องต้นนยเมื่อ เ, เข้าไปถ้าออกไปเป็นขีเมื่อเขา้ามือที่แหลงเรียกว่าเขา่าที่แหลเวลาออกไปเรียกวกับขีเาเพียงแค่นี้เราเมียได้หรอแม้คนที่โศกันนั้นแห ล, ละก็เมียได้ห่ะดินน้ําไปล ม, มลเมื่อก่อนโจ๊กเรากตดินน้ําไปลมมันบกพร่อง ดินหน้ามันไม่เพียงพอมันบกพร่องมันเหนือดแห้งไปก็เลยเพิ่มเข้ไปใหม่มันเพิ่มเข้าไปนนานๆเข้นานมันหมดแล้วเหือดแห้งไปมันเบาบางไปเราเพิ่มขึ้นใหม่คเพียงเท่านั้นก็ม่มีอะไรถ้าหากไม่ทานก็เลยคนเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เพราะสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เป็นต้นจะต้องมีอาหารในเครื่องหล่อเลี้ยง จะต้องมีอาหารเปนเครื่องจ้างให้มันอยู่ถ้าในจ้างมันเดือดรอด้อนถ้ามันจ้างมันกวนขวายมันดิ้นโลนหาของจ้างเพื่ออาหารไว้จ้างมันถ้าเราพิจารณาเห็นเพียงแค่นี้ก็ซักแต่ว่าเพื่ออยู่อย่างก็าพูดกันใจภาษาตลาดกินเพื่ออยู่มันถูกของเขา น่าชมนายช ม, นยชมคนที่พูดนะแหมมันช่างพูดจริงจิงกินเพื่อจ้างให้มันอยู่อยู่ก็เพื่อตายอยู่ค่อยๆท่าวันตายจ้างมันมีเครื่องจ้างมันพอเพียงมันก็อยู่นานหน่อยมันนานตายหน่อยถ้าเครื่องจ้างมันพอเพียงคือมันรับทานไม่ได้มันก็ตายเร็วลงไป มันมีสาระได้หลายทีทุกคนเราในขณะที่เรารับที่ขณะที่เราจ้างเขามให้มันอยู่นี่นะ่ะมันพอได้คุณค่าประโยชน์ก็มันก็รีบทําเฉยีนะจะทํำดีทํา ด, า ด, ดีมันคุ้มค่ากันรีบทําถ้าพี่ได้จ้างไม่เฉยเฉยไม่ได้อะไรกับมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันมันก็เสียค่าจ้างเฉยเฉยอย่างที่นั้ มีพูดสองอย่างเพียงเครื่องนุ่งหม่มคือผ้าผ่อนน่กับอาหารจะรับหรองเรี่องชีวิตร่างกายยั ง, ย ง, ย ง, ยงอีกสองอย่างคือว่าเรื่องที่อยู่อาศัย่และยาสำหรับบำรุงรักษาเวลาเจ็บขไข้ได้ไม่สบายสองอย่างนั่นกันในทำนองเดียวกันเนี่ย เนี่ยขี้เหรดไม่อยู่ตามมือนี่แหละถ้าเราใช้มันไม่เป็นทำให้เกิดกี้เหร่ค่ควงติดควางห่วงใหญ่อะไรชอบอกชอบใจถ้าไม่ได้ก็เป็นห่วงทำใจมืดมิดปิดไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณเห็นโทษถ้าได้ขึ้นอาจจะเห็นแต่คุณลืมโทษถ้าไม่ได้ก็เห็นแต่โทษลืมคุณ มีเพราะกิเลสมัน อ, อยู่ตามมูนี้ครั้นี้เราพากันไปอย่างที่จะชำระแก้ไขกิเลสแก้เดรดวยวิธีเดยข์ขันพากันแก้ตรงไหนกันอ่ะขนันอันนี้ชี้กิเลสได้เห็นกิเลสมันเกิดตามมูนี้แหละและมันเกิด อ, อยู่ทุกวีทุกวันทุกขณะทีรแยาบทจอธิบายมานี แล้วคิดหรืออย่างตั้งใจแล้วหรืออย่างว่าเราจะแก้กิเลสหรือมีที่กิเลสห่มหอเพิ่มพุงทุกวันถ้าไม่คิดและไม่พยายามที่จะแก้มันก็ไม่มีหทางที่จะหมดจากกิเลสกิเลสัวนี้แหละพ่ายแล้วเดี๋ยวรอนเป็นทุกข์ถ้ารู้ตัวของมันและไม่พยายามที่จะแก้มันก็จะพายจมดิ่งลงในกองของกิเลส ในห่วงขอ ง, ของกิเลสม่วันจะฟื้น ฟ, ฟ, ฟูขึ้นมาเห็นนั่นจงพาพิยานายรู้จากทุก์กิเลสเ่อนกิเลสอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาแค่ น, นี้แหละบเอามากมม้ดอกเอาสองคำงเที่ดียกิเลสเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เดือดร้อน กิเลสที่เราชำระสะอาดแล้วนั่นเองเป็นเหตุเราพ้นจากทุกข์เท่า น, นี้แ่ะภาวนากันเนี่ยว่าไม่เอาอื่นขายมากมายประสบพบเห็นสิ่งไหนได้ยูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งไหนเท่า น, นี้แหละเอาเ น, นี่ยเป็นปริกรรมภาวนาก็จะได้ความรู้ขึ้นมาแม้ก็มีข้านเคยมี้อทานที่จะแก้ไขกิเลสนะฮเบาบางหรือหมดสิ้นสูญไปในที่สุด ใจมันคิดนึกอะไรมันก็ไปตามคิดนึกมันอ่ะมันก็โดดนอกโน่นโน่นหนีหนี่มันก็กระโดดตามเหมือนกับเงาหน่ถ้าเราวิ่งเร็วมันก็เร็วตามเมื่อเราช้ามันก็ช้าเมื่อเราหยุดมันก็หยุดดีเด็ดูที่จิตมันอยู่ที่จิตถ้าหาก็มันหยุดนิ่งแล้วผ่านนี่ มันกระโดดโลดโผนมันน่าวิ่งโลดด้วยนี่กามันมีกิเลสแล้วมันกิดเนเงาเนี่ยไม่มี ก, มกิเลสละเหมือนกับเงาไม่มีเงาเลยครับเมื่อเราไม่เดินไม่ไปเหยียบเงาแล้วอยู่คงที่แต่วันเที่ยงเนเหยียบเงาคงที่เลยหมดแล้วสบายแล้วไม่มีกิเลสแล้วไปอยงั้นนี้หรอถ้าห่ากเห็นตัวกิเลสเดือดร้อน ความหนาวความร้อเกิดขึ้นมาคนที่ใจีิดพังเกิดขึ้นมาควาอมร่าดน้อยใจโลคโกรหลงเกิดขึ้นมาไม่พอใจคือไม่อยากหิงกิเลสกลัวกิเลสกิเลสมันได้ใจไหนละครั้งมันขนาดเลยละครั้งโทษได้เล็กน้อยความก็ทำก็จัดเหรอ เกลียดเีกๆน้อยเพราะถ้าไม่เกลียดจัดเขาปรุงแต่งมันไม่พอออกพอใจยิ่งทวีลาะกันดูกิเนี่ยนั่นแเรื่องกิเลสมันไปอยู่ที่ใจนั่นนะมาเข้าไปฟ้ากฏมันไปซ้อนอยู่ที่ใจเห็นนั้นถึงว่าเมื่อเราต้องการจะชำระกิเลสอย่าไปกลัวตัวกิเลส ที่มันโผล่ออกมานั่ น, น, นและตัวการทับขัญเขาะจะไปหานทำลายตรงนั้นะวิธีทำลายละวิธีประหารมันอย่าไปจักตรงที่เช่นมันโกรธใครแล้วมันชอบชิ่งไหนอย่ามันอยากได้อะไรอย่าไปมองดูตรงนั้น มองดูตัวของเราเที่มันไปชอบที่มันไปเกลียดไปโกรธที่มันพอใจไี่อยากได้มองดูตั ว, ต ว, ตวนี้ต่างหากอย่าไปมองดูวัตถุหรือสิ่งที่มันอยากได้มันถึงจะเห็นมันอันนี้เราไปมองดูในภายนอกมันจะงบไม่มีอะไรปรากฏสบายเย็นแล้วสบายใจแล้วพอแล้วกิเลสไม่มี อันคว่ากิเลสไม่มีคำว่าสบายได้พอใจแล้วนะนั่นแหละคือตัวกิเลสแต่เราไม่เข้าใจเนื่มันหลอกเราให้เข้าใจว่ากิเลสเป็นตัวเราแม้ถือว่าเป็นเร า, าเสียเลยเลยหมดทั้งทางไม่รู้ตัวกิเลสกิเลสไม่คล้องจรมาไม่ใช่ตัวเราคือไม่ใช่ใจิตใจ หากเรามีสติรู้เท่าตัวใจอยู่ตลอดเวลาเห็นใจอยู่ทุกขณะจะรวมไม่รวมไปชื่อทฤษขอให้เห็นขอให้รู้ตัวใจอยู่ตลอดเวลากิเลสมันปรากฏขึ้นมาหรือไม่ปรากฏคอยเห็นที่ตัวใจตลอดเวลามันก็ใช้ได้อย่าไปคิดว่า จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเห็นนน่นเห็นนี่จะไปคิดให้เข้าใจว่าจะเด็กเกิดเป็นที่ใจเห็นนั้นจะให้รู้ใจของตัวจะตลอดเวลามีสติรู้ตุดใจเกิดเสมอใจคือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางมันคิดมันนึกคืออาการของใจจับตรงเนี้ยซะก่อนมันปรุงมันแต่งแล้วเรียกวาการของใจรู้อย่างนี้ตลอดเวลา มันก็ใช้ได้ต่อนน้นไปกันแล้วถึงเรื่องมันจะเป็นอะไรต่ออะไรกข้อสําคัญที่สุดตรงนี้อ่ะแลนี้แหละไม่เอาได้มากมายหรอกเอาเอาละการสติกําหนดจิตให้มันถึงที่ถึงอะไรถึงที่ก็ตามเถอะขอให้อนุโลมขอให้คิดอนุโลมอนุมาณล้วคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งกันก่อนความเป็นหนึ่งอะนั้นไม่มีอะไรหรอก ว, ว่างความเฉยเฉยมนนั้นมีอะไรล่ะเฉยเมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เอาคนามเฉยเฉยนี่แหละเป็นปอบเกิดของความคิดของนึกต่างๆในขณะที่มันเฉยเฉยก็มเป็นว่างเป็นกลางอยู่นั้นไม่มี ค, ความคิดเขาไม่อะไรเราแต่เวลาที่มันจะคิดจะนึกจะสงสัยปรงแต่งอะไรต่างๆมันออกไปจากคนนั้นแหละ เร่งนั้นให้อนุมาณเนาะเจอก่อนเปิดตนเขากลางกลางของ ว, างว่างนั้นแล้วพุโทโธไปตั้งไว้ตรงนั้นแหละพุโทโธไปตั้ง เ, เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของใจให้จสงบเจอก่อนถ้าหากไม่มีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่มันลืมเจ้ามันไปก็ไม่รู้มันอยู่ก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องของใจ อะไรก็เรียกว่าใจใจได้ทงไปรู้เรื่องของใจคิดนึกสงสัยเดือดร้อนวุ่นวายอไทั้งหมดดีชั่วอยาบกระหยาดดีชั่วอะไรต่างๆเห็นใจนั้นเนี่ยแต่หากัวเห็นใจอันท้าหากว่านึกถึงความว่างความเฉยๆตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้หรอกนะทำใม้คิดไปครั้นี้ ต้องใส่ต้องแต่งไปประ่อยๆอาารย์มันเหนื่อยมันคิดมากห้เข้ามาถึงตรงนั้นอ่ะความว่างๆนั้นะมันหายไปหมดถ้ามีเครื่องยึดอย่างนี้ทำคงเพียนโาวนาให้มีเครื่องยึดอย่างนี้ค้งเมื่อเข้าถึงใจตรงนั้นแล้วเห็นชัดในใจของตนนะนี่แม่ไปง ความสุขความสบายาการที่ไม่มีอะไรทั้งหมด น, นั้นสุขแสนที่จะสุขทุกข์เพราะความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความปรุงความแต่งแต่คนก็บางคนก็ผิดกันใครมาสงบก็ไม่สบายไม่มีอุบายปัญญาอยากจะคิดจะนึกจะค่อยมีอุบายปัญญาท่านพูดว่า โมหะคือความหลงหลงอะไรหลงสุขเป็นทุกข์หลงทุกข์เป็นสุขอันนี้แหละความวุ่นวายสงสัยต่างๆนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีความสงบเข้าใจเป็นของชั่วนั่นแหละหลงทุกข์เป็นสุขคือความไม่รู้นั่นเองถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้วมันคิดนึกวุ่นวายสงสยัยต่างๆมากมายมาแต่ก่อนไปเก่า เห็นโทษของ ม, มันความสงบสุขยิ่งคือเฉยอยู่เป็นความเย็นสบายที่สุดเป็นความสุขอย่างยิ่งมันก็ต้องการเข้ามาหาความสุขก็นนะสิฉันเมื่อมันรุ่งน่ะก็ตักเขามาความสุขมันก็ปล่อยวางความทุกข์ของมดให้ยึดหลักอันนี้เลยไว้เป็นประมาให้ยึดหลักอันนี้เอาเป็นเกณฑ์จะทําความเสียนภาวนายัางไงยังไงก็ ถ้ามันนีหลักไม่หนีหลักกันนี้แล้วจับยิดหลักกันนี้ไว้ได้แล้วไม่มีผิดพลาดไปไหนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสติตัวเดียวควบคุมคุณนี้แหละพึกงฝนอบรมใจอันเดียวนี้แหละ